ของขวัญแสนวิเศษกาะละครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีชาวนาที่ยากจนคนหนึ่งชื่อรอนอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆกับแม่ของเขา <c oughs> เงินของเขาเกือบจะหมดแล้วรอนจึงตัดสินใจไปยังหมู่บ้านข้างๆที่ใหญ่กว่าเพื่อหางานทำแม่ของเขาเตรียมขนมปังไว้ให้เขาสามชิ้น เขาหนีไปนะลูกแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีล่ะไม่ต้องห่วงนะแม่เดี๋ยวผมก็ได้งานพวกเราจะไม่มีปัญหาอีกแล้วรอนเดินเป็นเวลากว่าหลายชั่วโมงในป่ามันเริ่มค่ำแล้วและเขาก็รู้สึกเหนื่อยและหิวมากดังนั้นเขาจึงตัดสินใจพักในป่าเขาพบกับต้นอกใหญ่ที่มีกิ่งกา้านที่พอจะช่วยปลอดภัยจากสัตว์ป่า แต่ทันใดนั้นเขาก็พบกับหงส์ามตัวปรากฏขึ้นเหนือแม่น้มด้านล่างเมื่อพวกมันถึงพื้นพวกมันเปลี่ยนเป็นเทวดารอนตกตะลึงเป็นอย่างมากเนื่องในเทวดามองเห็นเขาและชี้มาที่เขาดูนะมันโ์มนัมนโนตไม่ควรเห็นเราแต่พวกเขาต้องเป็นคนดีแน่นแน่ มีเพียงคนดีเท่านั้นที่จะเห็นแสงสว่างของพวกเราดึกเดินป่านนี้นายมาทำอะไรอยู่ในป่ามนุษย์ผมออกจากบ้านเพื่อไปหางานในหมู่บ้านใกล้ๆหรือว่าในเมืองครับนายออกจากบ้านเพื่อไปหางานนายคงต้องการสิ่งนี้แน่นี่เอาไปสิไม่ว่านายจะไปที่ไหน กิ่งไม้นี้จะเป็นบ้านให้นายบ้านหลังนี้จะมีทุกอย่างที่มนุษย์ต้องการเตียงไว้นอนเสื้อผ้าในตู้อาหารบนโตะ๊ะและเงินในกระเป๋าทุกอย่างเลยขอบคุณมากครับขอบคุณมากจริงๆตอนนี้นายต้องรีบออกไปจากที่นี่พวกเราเทวดาไม่ได้รับอนุญาตให้พูดคุยกับมนุษย์ครับผมด้วยของขวัญจากพวกคุณ ผมคงสบายขึ้นแล้วขอบคุณมากครับดังนั้นรอนจึงออกจากตรงนั้นและเดินเข้าไปในป่าทัานใดนั้นมีฝนฟ้าขนองอย่างหนักตกลงมาในคืนนั้นรอนกำลังจะวางกิ่งไม้ลงบนพื้นแล้วตอนนั้นเขาก็ได้ยินเสียงบางยางบางคนกำลังตัวสันสะท้านรอนมองไปรอบๆและพบกับครอบครัวครอบครั ว, รวหนึ่งกาลังสันท่ำกลางสายฝน เกิดอะไรขึ้นนั้นเหรอทำไมพวกคุณมาอยู่ข้างนอกกลางสายฝนแบบนี้บ้านของเราถูกฟ้าผ่าจนพังหมดตอนนี้พวกเราไม่มีที่อยู่อีกแล้วพวกเราจนมากและไม่มีเงินสร้างบ้านใหม่เลยลูกๆของฉันคงหิวมากด้วยพวกเขาคงต้องการมันมากกว่าเราสินะเอานี่ไปสิมันจะแก้ปัญหาให้พวกคุณขอบคุณมาก เราจะตอบแทนความเมตตาของคุณได้ยังไงแค่ให้ผมค้างคืนด้วยในคืนนี้พรุ่งนี้เช้าผมจะไปตามทางของผมคุณอยู่ที่นี่ได้นานเท่าที่คุณต้องการเลยค่ะ รอดออกจากบ้านมาในตอนเช้าและออกเดินทางต่อไปเพื่อหางานทำ mm. เขาเดินทางทั้งวันอยู่ในป่าจนกระทั่งถึงตอนค่า mm. เขาตัดสินใจหยุดพัก mm. ครั้งนี้ mm. เขาพบกับถ้ำในภูเขาข้างๆ mm. เขาจึงเข้าไปพักอยู่ในนั้น mm. ขณะที่เขากำลังจะหลับ mm. เขาพบกับแสงประหลาดบนท้องฟ้าขอ mm. งบินลงมาและเปลี่ยนเป็นเทวดาอีกครั้ง mm. หนึ่งในนั้นมองเห็นเขา นั่นมนุษย์คนนั้นอีกแล้วนายตามเรามาอย่างนั้นเหรอแล้วนายมาทำอะไรที่นี่คืนก่อนพวกเราให้บ้านนายไปแล้วไม่ใช่เหรอแล้วทำไมถึงยังมาอยู่ในป่าอ๋อผมเก็บบ้านวิเศษไว้กับผมไม่ได้และรอนก็บอกทุกอย่างให้เหล่าเทวดาฟังว่าเกิดอะไรขึ้นในคืนนั้นก็ตามนี้ครับ ผมก็เลยยังคงต้องออกไปหางานทำในหมู่บ้านอื่นสิ่งที่นายทำเมื่อคืนมีเมตตามากถึงจะดูโง่ไปหน่อยก็เถอะเราคงให้ของวิเศษเท่ากับบ้านวิเศษอีกไม่ได้หรอกนะแต่เราให้สิ่งนี้กับนายได้จานใบนี้จะไม่ทำให้นายหิวอีกต่อไปมันจะสร้างอะไรก็ได้ที่นายต้องการเท่าไรก็ได้ที่นายต้องการ เอาสิ่งนี้ไปและครั้งนี้เก็บมันไว้ให้ดีอย่าเอามันให้ใครตอนนี้ปลดออกจากตรงนี้ด้วยขอบคุณมากครับผมจะออกจากตรงนี้เดี๋ยวนี้เลยครับรอนเดินทางต่อไปในป่าจนกระทั่งมาถึงใจกลางหมู่บ้านเล็กๆท่านใดนั้นเขาก็เห็นชายแก่คนหนึ่งกำลังแบกหญ้าเนื้อหัวของเขา ชายคนนั้นดูแก่และอ่อนแอมากเขาเกือบจะล้มลงจากน้ำหนักของมัดยารอนเข้าไปช่วยเขาลงุงลุงอายุมากแล้วไม่ควรแบกของหนักขนาดนี้นะให้ผมช่วยเธอชายคนนั้นพารอนไปที่บ้านของเขาในหมู่บ้านรอนวางมัดยาลงที่นั่นขอบคุณพากพ่อลงุงช่วยฉันได้เยอะจริงๆเออลงุงทำไมลุงต้องทำงานหนักแบบนี้ล่ะ ไม่มีใครช่วยลุงได้หรอฉันอยู่ตามลาพังกับภรรยาถ้าฉันไม่ทางานแล้วฉันจะเอาเงินจากไหนมาซื้อค่ะเขาแก่และเริ่มอ่อนแอทั้งหมดที่ทําได้ก็มีเพียงตัดหญ้านั่นแหละแต่มันก็เริ่มยากแล้วแหละตอนนี้ดูเหมือนว่าลุงจะไม่ได้กินอะไรเลยนะวันนี้ไม่น่าแปลกที่ลุงอ่อนแอมากเอานี่ไปสิลุงสิ่งนี้จะช่วยทาอาหารได้มากเท่าที่ลุงต้องการ ลุงสามารถกินมันได้อย่างพอใจแล้วลุงจะได้กลับมาแข็งแรงอีกครั้งแต่ว่าสิ่งนี้เป็นของนายเรารับไว้ไม่ได้รองลุงต้องการมันมากกว่าผมนะผมยังเด็กและยังแข็งแรงดีผมหางานได้สบายอยู่แล้วเอามันไว้กับลุงเถอะแค่ให้ผมพักที่นี่คืนนี้แล้วเรามากินอาหารด้วยกันนะดังนั้นรอนจึงขอให้จานทำซุปร้อนๆสตูผัก และพายผลไม้พวกเขาทั้งสามกินอาหารด้วยกันอย่างมีความสุขเช้าวันรุ่งขึ้นหญิงชราได้ห่ออาหารให้เขาสำหรับกินได้ทั้งวันรอนเข้าไปในป่าอีกครั้งเขาเดินทั้งวันจนถึงตอนกลางคืนเขาพบโพรงเล็กๆในต้นไม้ใหญ่มันกว้างพอให้เขาพักได้ที่นั่นขณะที่เขากำลังเอ็นตัวพักเขาพบกับแสงเช่นเดิมบท้องฟ้าพวกหงบินลงมาแล้วก็เปลี่ยนเป็นเทวดา นายน้อยอีกแล้วนายมาทำอะไรที่นี่กันพวกเราให้จานที่สามารถทำอาหารให้นายไปแล้วเมื่อคืนก่อนนายคงไม่ได้ให้มันไปกับคนอื่นใช่ไหมเ อ, อครับผมทำคู่รักชราต้องการมันมากกว่าผมและรอนก็บอกทุกอย่างเกี่ยวกับคู่รักที่เขาได้พบนี่คืนก่อนพระเจ้า เราจะมอบอะไรให้นายอีกละคราวนี้เ อ, อ่อไม่เป็นไรพวกคุณไม่ต้องให้อะไรผมหรอกพวกเราต้องให้ไม่ว่าพวกเราจะพบมนุษย์คนไหนที่พบกับแสงของพวกเราแต่นี่จะเป็นของขวัญชิ้นสุดท้ายจากพวกเราเอารองเท้านี่ไปมันจะช่วยให้นายไปถึงในทุกๆุกที่ที่นายอยากไปในทันทีอ๋อนี่มันดีมากๆเลยได้โปรดเอามันไป แล้วไปจากที่นี่นะและเก็บมันไว้เป็นของขวัญสําหรับตัวเจ้าเองบ่าขอบคุณมากครับดังนั้นรอนจึงสวมรองเทา้าและขอให้ตัวเองไปอยู่ในหมู่บ้านถัดไปทันใดนั้นเองเขาก็หายตัวไปจากป่าและปรากฏตัวขึ้นในหมู่บ้านถัดไปใกล้ๆกับโรงแรมเล็กๆรอนตัดสินใจพักที่นี่ขณะที่เขากําลังทานมือ้อค่ำในโรงแรมมีนักเดินทางคนอื่นเข้ามาหาเขาขอนั่งด้วยได้ไหมเพื่อ ทำไมจะไม่ได้ละ่ะเชิญเลยฉันจรนนะแล้วนายล่ะชื่ออะไรมาจากที่ไหนละ่ะผมรอนครับผมมาหางานทำที่นี่แล้วคุณล่ะอ๋อฉันทำงานหนักมากกว่าห้าปีแล้วจากบ้านมาไกลและฉันรอจะกลับบ้านแทบไม่ไหวอันที่จริงฉันจะเดินทางต่อเลยหลังจากทานข้าวเสร็จคุณจะเดินทางในตอนกลางคืนงั้นเหรอ ได้ไม่รู้หรอกว่าฉันคิดถึงบ้านแค่ไหนรอนลูกชายของฉันคงกำลังรออยู่ฉันคงไปถึงในอีกสองวันถ้าหากว่าไม่มีพายุฝนดูเหมือนว่าจะมีฝนหน้าในคืนนี้ฉันไม่สนฉันอยากกลับบ้านถ้างั้นมากับผมสิสวมมันเลยทำไมล่ะรองเท้านี้จะพาคุณกลับบ้านในทันทีผมไม่ได้รีบไปที่ไหนหรอก คุต้องการมันมากกว่าผมนะดังนั้นจอรนจึงสวมรองเท้าและหายไปที่บ้านของเขาในทันทีเช้าวันรุ่งขึ้นรอนออกเดินทางหางานไปทั่วหมู่บ้านแต่เขาก็ยังไม่ได้งานเลยจนตอนกลางคืนเขากลับมาพักที่โรงแรมขณะที่เขากําลังจะหลับในห้องของเขาเขาพบกับแสงรแปลกๆเช่นเดิมหงและเทวดาอีกครั้ง นายตามพวกเรามาแน่แนะไม่นะผมเปล่าดูเหมือนว่ารองเท้าจะพานายมาที่นี่สินะแต่ทำไมยังอยู่ในโรงแรมนี้ละ่ะนายกลับไปที่บ้านของนายแล้วค่อยออกเดินทางหางานที่นี่ก็ได้นี่รองเท้ายังอยู่กับนายใช่ไหมเออไม่ครับร้อนบอกทุกอย่างกับพวกเขาเรื่องนักเดินทาง เราคงไม่มีอะไรให้นายอีกแล้วล่ะไม่เป็นไรครับเราเอาของขวัญทั้งหมดกลับมาให้นายได้นะเอากลับมาจากผู้คนที่นายมอบให้คิดสิถ้านายมีบ้านนายจะไม่ต้องออกไปทำงานและอยู่ยังมีความสุขกับแม่ของนายได้นะหรือว่าถ้านายได้จานกลับมานายกับแม่ของนายจะมีอาหารดีๆจากทั่วโลก และนายก็ไม่ต้องกดดันเรื่องทํางานแล้วหากนายมีรองเท้านายจะไปมาระหว่างบ้านกับที่ทํางานได้ในทันทีอยากได้ของขวัญชิ้นไหนกลับมาล่ะไม่เลยสักชิ้นครับทุกคนที่ผมมอบของขวัญให้พวกเขาต้องการมันมากกว่าผมแค่ผมเป็นตัวเองก็ดีที่สุดแล้วผมยังหนุ่มยังแข็งแรงและสามารถทํางานได้แค่นี้ก็พอแล้วนั่นแหละเหมาะกับนายแล้ว เทวดาได้หายตัวไปแล้วรอนก็หลับไปเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อรอนตื่นขึ้นมาตื่นเร็วลูกรักแ ม, ม่ผมผมมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงแล้วนี่อะไรกันดูวสิว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่ลูกรักนี่มันอะไรกันครับบ้านของเราเปลี่ยนเป็นเขาหรือหาดแล้วยังไงทันใดนั้นหงส์ตัวหนึ่งได้บินผ่านหน้าต่างเข้ามา วางม้วนกระดาษเล็กๆไว้บนตักของรอนร้อนเปิดอ่านมันเราแค่ทดสอบนายร้อนใช่แล้วคนอื่นที่นายมอบของขวัญให้ต้องการมันมากกว่านายเขาต้องการพวกมันแต่เพราะความมีเมตตาและเอื้อเฟื้อของนายนายก็สมควรจะได้รับมันด้วยลงชื่อเพื่อนๆของนายเทวดาดังนั้นร้อนกับแม่ของเขา ก็อยู่ด้ยกันอย่างรู้ราและมีความสุขตลอดชีวิตของพวกเขาแต่พวกเขาก็ไม่ลืมที่จะใจดีและแบ่งปันความโชคดีของพวกเขาแด่ผู้อื่น